วนนี้ดูสดชื่นกันดีนี่นะใจเราเป็นกุศลนะเป็นบุญเป็นบุญแล้วมีความสุ ข, ขสกุศลเนี่ยฉลาดมีบุญแล้วทาให้เวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีมีกุศลนะจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกุศลนั้นฉลาดลดละกิเลสไปบุญเนีกยทําความดีไป พระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะท่านเผื่อแผ่ให้คนทุกกลุ่มที่พอจะรับธรรมะได้ระดับคนทั่วๆไปท่านก็สอนให้ทำบุญไปอะไรไปให้ทำความดีละความชั่วระดับที่ใจสูงขึ้นมาสอนให้ฝึกจิตฝึกใจไปสู่ความบริสุทธิ์พุดผ่องเนี่ยความกรุณาของท่าน คือไม่ได้มุง่งเอาว่าต้องเลือกเอาแต่คนเก่งๆคนบารมีสูงๆแล้วทิ้งคนส่วนมากไม่ได้ท่านไม่ได้ทิ้งคนทั่วๆไปท่านก็สอนให้รักษาศีลศีลห้าข้อถ้ารักษาศีลได้จะไปโอกาสที่จะพัฒนาใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นก็ง่ายรักษาศีลแล้วก็ไม่ทําชั่วหัดให้ทําความดีไป ทีละเล็กทีละน้อยที่แรกพื้นฐานจิตใจยังไม่ดีนะทำความดีลำบากต่อไปพอจิตใจคุ้นเคยกับการทำความดีแล้วมันทำความดีง่ายง่ายขึ้นไปเรื่อยนะพอดีได้เต็มที่นะแค่นั้นไม่พอต้องสอนให้ฉลาดด้วยดีแล้วไม่ฉลาดก็มีนะทำดีไปเรื่อยแต่ไม่ฉลาดล้วไม่พ้น ให้เกิดปัญญาอาศัยปัญญาแนะ่ๆพาให้พ้นจากวัตฏะบวกปัญญามันทำให้เข้าถึงความบริสุทธิ์คำสอนในโอวาทปฏิโมกที่ท่านสอนที่พวกเราจำได้ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจินให้ผ่องแผ้วทำไมท่านต้องมาสอน ความจริงไม่มีความจำเป็นต้องสอนคนที่ฟังตอนนั้นคนที่ฟังตอนนั้นจิตฟองแผ่วไปหมดแล้วอย่างพระอราหารันต์ล้วนๆที่ได้ฟังในตาราว่าพัน0องห้าองค์อันนี้นับตัวเลขกลมๆเป็นพวกชดิน0 0นองค์พวกพระโมคคัลลาสาริบุตรสองอยห้าสิองค์จริงสาวกมีมากกว่านั้นอีกอย่างพวกพระยาศะ 60สบองค์พวกนี้แยกย้ายไปประกาศธรรมะที่อื่นไม่ได้มาประชุมด้วยนับตัวเลขกลมๆไปดินสามพี่น้องพี่ใหญ่มีบริวารห้าร้อย้าร้อยก็สํานวนแขกมะเยอะตัวเลขจริงๆเราไม่รู้หรอกมันเป็นตัวเลขกลมๆท่านเหล่านี้เป็นพระอราหันต์ทั้งหมดเงินการที่จะมาสอนพวะเจ้าจะมาสอนมึง ให้ละบาปทั้งปวงให้ทํากุศลให้ถึงพร้อมให้ทําจิตให้ผ่องแผ้วไม่ใช่คาสอนสําหรับท่านเหล่านี้เลยพอท่านละบาปเรียบร้อยแล้วท่านทํากุศลถึงพร้อมแล้วจิตท่านผ่องแผ้วแล้วหรโอวาทปฏิมโมกเนี่ยไม่ได้สอนผู้ที่มาฟังอยู่แต่เป็นการสรุปหลักการของธรรมะที่ท่านเหล่านี้จะต้องออกไปประกาศ ว่าออกไปประกาศธรรมะนะให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขกับคนจำนวนมากธี่ดาและมนุษย์ทั้งหลายขอบเขตที่จะสอนสอนให้ละบาปทั้งปวงให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมฝึกจิตฝึกใจให้ผ่องแผ้วสอนวิธีปฏิบัติด้วยวิธีวางตัววางตัวยังไงไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่เผยแผ่ด้วยการเบียดเบียนุกรานอย่างนี้นะ เป็นหลักของการเผยแพร่แล้วม่มีความสำคัญยังไงเป็นการวางรากฐานที่จะทำงานเผยแพรของพระพุทธเจ้าอาศัยการวางรากฐา น, นนั้นๆศาสนาก็เลยสืบทอดมาจนถึงวันนี้บางคนสงสัยเหมือนกันนะทำไมมีพระพุทธรูปนะลงมามีหลวงปู่ดูลหลวงพ่อมานั่งเทศอยู่ข้างน้าเป็นสั ญ, ญลักษณ์นะของการที่สืบทอดมา ล้ทอดไปไหนทอดไปตรงนี้แหละธรรมบ้านถ่ายทอดลงมานะจากพุทธเจ้าลงมาที่ครูบาอาจารย์เป็นลําดับลําดับลงมานะไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ดีเท่าพุทธเจ้านะเป็นไปนไม่ได้หรอกความรู้ความสามารถของครูบาอาจารย์นั้นก็ลดหลั่นลงมาในเส้นของนักปฏิบัติเนี่ยจะไม่คิดว่าตัวเก่งกว่าอาจารย์เลย ยกย่องครูบาอาจารย์ไว้เบื้องสูงแต่ในโลกโลกนะั้นมักจกูเก่นะเก่งกว่าอาจารย์นั่นะเป็นเรื่องของกิเลสมันยังเราเป็นลูกเรายกพ่อแม่ไว้ที่สูงไม่ตีเสมอหลวงพ่อนะั้นไม่เคยคิดเทียบครูบาอาจารย์เลยนะเคารพทุดหัวใจเลย ใจเลือ ก, กเลยรู้สึกเลยไม่มีท่านเรามาไม่ได้อย่างนี้หรอกพระคุณยิ่งใหญ่เหลือเกินพระพุทธเจ้าก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่คนแรกพระคุณท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินเราจะทําอะไรนะรต้องนึกอันนี้พ่อแม่เราสั่งห้ามเราก็ไม่กล้าทําหรอกอันนี้พ่อแม่เราให้ทําเราก็ทํา ไม่อยากทำบางทีไม่อยากทำก็ต้องทำอย่างสมัยก่อนยังไม่ได้บวชบางวันก็ขี้เกียจภาวนาแต่ไม่ได้ในใจรู้สึกไม่ได้ครูบาอาจารย์บอกให้ภาวนาพระเจ้าสั่งให้ภาวนาเราต้องทำขี้เกียจก็ต้องปฏิบัตินะบางทีก็เบือ่อเบื่อก็ต้องทาบางทีก็ท้อท้อก็ต้องท ำ, งททนะทงทำไม่มีคําว่าถอยเลย เพราะว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่มาเนี่ยอาศัยพระเจ้านะเป็นกำลังใจนึกดูสมัยก่อนท่านเองก็มีกิเลสท่านก็ต่อสู้มา嘛นกะว่าท่านจะผ่านพ้นมาได้เอามาสอนเราครูบาอาจารย์ว่าจะมาสอนเราได้ก็สู้กับกิเลสมาแล้วทั้งนั้นล้มลูกลุกลครานมาท่วงละไม่มีหรอกที่พอนานแล้วราบรื่น ก่อนจะราบรื่นนะ่ล้มลุกลุกลาดมาแล้วทั้งนั้นนับพบนับชาติไม่ท้วนในการภาวนากระดูกกองไปภูเขาเลยพวกเราไม่ใช่ชาติแรกหรอกที่ภาวน า, าพวกเราชาติแรกภาวนาเราภาวนาไม่ได้ขนาด น, นี้หรอกแต่ละคนแต่ละคนจิตใจเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นมากขึ้นมากขึ้นกนะ็ต้องมี เชื้อเดิมมีของเดิมสะสมมาไม่น้อยหรอกคนเต็มโลกโอกาสคนที่จะได้ฟังธรรมจริงๆมีไม่กี่คนหรอกกระทั่งคนไทยนะได้ฟังธรรมซะที่ไหนนะส่วนใหญ่มันไม่ฟังนะหรือฟังก็ไม่ใช่ธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเป็นธรรมะโลกโลกเป็นเรื่องจริยธรรมซะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนธรรมะเพื่อ ความพ้นทุกข์จริงๆไม่ค่อยมีการถ่ายทอดนะอาภาพจริงๆเลยทั้งๆที่ธรรมะของพระเจ้าเนะวิเศษที่สุดเลยอย่างพระเรานะพยายามสร้างกิจตับนะทรรํานนทกิจกรรมอย่างนู้นทํากิจกรรมอย่างนี้บางทีก็ต้องทําสังคมสงเคราะห์อะไรเนี่ยเพื่อจะอยู่กับโลกให้ได้คือถ้าภาวนานเข้าใจธรรมะแล้วเอาธรรมะ ม, มาถ่ายทอดได้นะคนต้องการธรรมะนะ คนต้องการธรรมาเพราะใครไม่ต้องการความพ้นทุกข์บ้างนั่นอย่างที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรานะี่สอนหลักปฏิบัติเพื่อเราจะพ้นทุกข์จริงๆเราจะทำยังไงเราจะละบาปอากุศลได้ทำไงเราจะเจริญกุศลได้ถึงพร้อมทำไงปัญญาจะเกิดต้องทำอะไรบ้างต้องเรียนเรื่องศีลต้องเรียนเรื่องจิตต้องเรียนเรื่องปัญญา ถ้าเราเรียนสิ่งเหล่านี้แล้วนะบาปมันก็สลายตัวไปมันทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้เพราะใจเรามีฮิริโอตปะขึ้นมาไม่ใช่ทำไม่ได้เพราะว่ากลัวตำรวจจับเห็นกระเป๋าสตางค์คนหล่นอยูนะ่อยากได้ใจรั่วอยากเห็นเจ้าของเดินอยู่ข้างหน้าเอาของเขาไม่ลงนะั้นละอายใจสงสารเขาอะไรเงี้ยนะ้องเรียกเจ้าของมาเอาไป อย่าไปหยิบของเขานะเขาทากระเป๋าหล่นอย่าไปหยิบนะเขาหันมาเห็นก็จะว่าล้วงเขาร้องดังๆเนี่ยถ้าเราฝึกนะตามหลักสูตรของพระเจ้ามาเรียนทำยังไงศีลของเราจะเกิดทำยังไงจิตของเราจะตั้งมั่นทำยังไงปัญญาจะเกิด ถ้าเราเรียนในสิ่งเหล่านี้แล้วผลที่เกิดขึ้นมันอัตโนมัติเลยที่มันจะละ บ, บาปทั้งปวงจ ะ, จะเจริญกุศลให้ถึงพร้อมได้นะกุศลที่ถึงพร้อมมันก็ครบหมดนะตั้งแต่ทานศีลอะไรจนเรอทั้งล้างกิเลสลดละอกุศลทั้งหลายนะเป็นลาดับลำดับไปการที่จะได้ สีลักสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะรากเงามันอยู่ที่ตัวสติตัวสติอันขั้นแรกเลยต้องพัฒนาตัวสติขึ้นมาก่อนพอมีสติแล้วสีนี้ก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดสีสมาธิปัญญามีอยู่นะมันจะละบาปอากุศลทั้งปวงกุศลมันจะถึงร้อมนะแล้วจิตมันจะพ่องแผลวไปลดับลาดับไป ท่านธรรมะของผู้เช่านะกว้างขว้างลึกซึ้งใหญ่โตมากถ้าเราจับแก่นมันไม่ได้นะเราไม่รู้จะลงมื อ, อยังไงอย่างพระไตรปิฎกตั้งใจอ่านก็อ่านได้ทุกคนแหละโดยเฉพาะพระวินัยกับพระสูตรอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องต้องเรียนอภิธรรมก่อนเพื่อพอรู้เรื่องอ่านนะใครๆก็อ่านได้แต่อ่านแล้วไม่รู้จะเอาไปทำยังไงปัญหาใหญ่ พอจับแก่นของมันไม่ได้จับหัวใจไม่ได้ของการปฏิบัติ่อนั่งเถียงกันไปเถียงกันมาสิ่งแรกที่พวกเราต้องฝึกให้ได้นะคือความมีสตนะิสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเราเองยังนอาศัยสติคอยรู้ทันทำไงสติจะเกิดต้องหัด ร, รู้ทันบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเอง สติเป็นตัวรู้ทันโดยไม่ได้เจตนาจะรู้ทันไม่ได้จงใจจะรู้มันรู้ขึ้นมาเองมันจะไม่ได้เจตนารู้แต่รู้ได้เองเนี่ยสติอัตโนมัติอาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยการเห็นสภาวะบ่อยๆจิตมันจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองัอย่างพวกพวกเราคอยหัดรู้ทันสภาวะจะเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้ค่อยๆฝึกไป วันไหนถนัดที่จะรู้รูปธรรมเราก็เห็นร่างกายนี่ดูร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวคอยรู้สึกเรื่อยๆนะต่อไปเวลาเราเผลอขาดสติไปนะพราร่างกายขยับนะก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองนะอย่างโกรธขึ้นมากาลังจะตบหน้าเขาละขยับมือลนะสติเกิดรู้ว่าโกรธแล้วนะ เพระร่างกายมันเคลื่อนไหวเราเคยรู้สึกปุ๊บรู้สึกนะแต่ว่าจิตมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปแล้วนะร่างกายรับออเดอร์เดิมเบรกไม่อยู่ก็มีนะตบแต่ขนาดนั้นจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วนะทำได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะนะพลาดพาแล้ว อ, อากุศลเต็มเต็มเลยเคยไหมว่ามันสั่ง เคยโกรธยุงไหมยุงมาลักทรัพย์มาเจาะแขนเราอเงี้ยเราสั่งประหารตีตกขนาดนั้นสติะระลึกได้อุ้ยอย่าไปตีมันแต่ยักไม่ทันนะรู้สึกไหมมีไหมเพราะรูปเนี่ยนะมันเคลื่อนไหวพราะจิตสั่งนรูปเนี้ยมันออเดอร์ของจิตดวงก่อนนะจิตดวงใหม่นะสติเกิดแล้วแต่ว่ารูปนี้ยังสั่งมันไม่ทันนะอย่างนี้ก็มีนะ หน้ า, ายสตินะทำให้เราศีลเราก็จะดีขึ้นสติมันไวศีลนะเราดีขึ้นนะเราก็ไม่ได้ทําบาปจํานวนมากแล้วนะสมาธิดีขึ้นเราก็ไม่ได้ทําบาปบางอย่างทําบาปอากุศลอะไรสมาธิไปทำลายมันพวกนิวรณนะ์นิวรณ์ก็เป็นอากุศลในใจเรานะถ้าเรามีสติมีสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นมาข่มนิวรณ์ลงไปก็ไนมะ่ทํา บาปที่ละเอียดขึ้นมาเพราะเรามีปัญญาเราล้างความเห็นผิดได้เราไม่ทําบาปชั้นสูงนะกิเลส ช, ชั้นสูงเลยกิเลส ช, ชั้นสูงคือความหลงนะความหลงความเห็นผิดแต่พวกนี้ยพระเจ้าถือออกพระโอษ์เลยว่าท่านไม่เห็นอะไรเป็นโทษเหมือนมิจฉาทิฏฐิเลยอาศัยปัญญาไปล้างมิจฉาทิฏฐิได้ ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้ทงปัญญานี่เป็นเครื่องกำราบกิเลสกิเลสเนะี่เป็นตัวผลักดันให้เราทำบาปนะเาะเพราะฉนั้นพอเรามีสติอยู่มีศีลมีสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมีสติจะมีศีลมีสมาธิปัญญาได้นะถ้ามีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นไม่ทำบาปแล้วนะนะทั้งบาปหยาบบาปละเอียดนะบาปลากลางๆไม่ทำกุศลมันก็เกิดด้วย ในขณะที่ไม่ได้ทําบาปกุศลมันก็เกิดขึ้นมาด้วยอยังไม่ได้คิดเบียดเบียนคนอื่นนะมันจะพลิกเป็นเมตตาด้วยซ้ําไปไม่ฟุง้งซ่านก็ได้กุศลได้ความสงบของจิตได้ความตั้งมั่นของจิตเป็นกุศลได้ปัญญาเป็นกุศลอันยิ่งคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นในหลักที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะ คือมุ่งให้พวกเรามีสติขึ้นมาให้ได้สก่อนมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจถนัดรู้กายก็คอยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆอย่าเผลออย่าลืมตัวรู้สึกบ่อยๆถนัดดูจิตก็ดูมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆต็งมีสติรู้ทันจิตเนี่ยดีมากเลยนะเรารู้ทันกายไปเรื่อยๆเราจะมารู้จิตรู้จิตไปเรื่อยๆเราจะรู้ทันทั้งกิเลสทั้งกุศลอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้น กิเลนเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตเรารู้อยู่ที่จิตนะกุศลแรกเข้ามาในจิตเราก็เห็นนะอกุศลแทรกเข้ามาเราก็เห็นนี่เรามีสติรักษาจิตอยู่คอยรู้เท่าทันมันไม่ใช่ไปบังคับมันบังคับมันเครียดจิตเป็นอกุศลจิตที่เครียดพวกเราต้องจาไว้เลยนะถ้าเราภาวนาเราเครียดต้องรู้ทันทีนะในขณะที่เครียดนั้นจิตดวงนั้นต้องเป็นโทสะมูลจิตนะ ถ้าจิตจะมีโธมันั้นไม่มีความสุขถ้าจิตเราไม่แช่มชื่นนะไม่แช่มชื่นกับไม่ไปอุเบกขานะต้องเป็นโทสะแล้วล่ะเป็นโทสะแน่นอนทนี้ถ้าเรามีสติอยู่รู้ทันจิตนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นพอมีศีลนะมันก็ไม่ได้ทําบาปที่เป็นเรื่องผิดศีลมันได้บุญคือการรักษาศีล เรามีสติรู้ทันจิตอยู่ในจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติเราก็ละบาปคือความฟุ้งซ่านทั้งหลายไปเราได้กุศลคือได้ความสงบได้ความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาเรามีสติตามรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรื่อยไปในที่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงแล้วก็ละบาปอากุศลคือความเห็นผิดต่างๆเราเกิดกุศลคือความเห็นถูกนะ เป็นกุศลอย่างยิ่งเลยกับความรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกงั้นการละบาปประการเกิดกุศลนะถ้าเราปฏิบัตินักปฏิบัติเกิดด้วยกันนะไม่ใช่วันหนึ่งละบาปวันหนึ่งมันจเจริญกุศลหรอกในทันทีที่เรามีสติขึ้นมาอากุศลดับตรงนั้นนะกุศลเกิดตรงนั้นเลนยนะมันทันทันทีเลยนะเรียวไทม์เลยนะไม่ใช่วันนี้ทา ไม่ทำบาปอีกวันหนึ่งจะทำบุญอย่างนี้นะวันนี้ไม่ทำบาปอยากตีสัตว์ก็ไม่ตนะีแล้วอีกวันหนึ่งค่อยไปทำบุญไปใส่บาตรได้ทำบุญแล้วพอใจแล้วมาลืนค่อยรักษาศีลทีหลังทำทานก่อนแล้วมาลืนรักษาศีลมาเรื่องไปนั่งสมัธิว่าไม่ได้กินหรอกคือทำอยู่ในขณะเดียวกันนี้เลยันะ้นอาศัยสติ คุ้มครองรักษาจิตของเราไว้นะกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลมันเกิดแลเราก็ละการทําบาปทางกายทางวาจาเราเกิดบุญคือศีลขึ้นมามีศีลเรามีสติคุ้มครองจิตอยู่จิตฟุ้งซ่านไหลไปนะไม่มีสมาธิพอสติรู้ทันความฟุ้งซ่านก็ดับอกุศลดับทันที จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกุศลทันทีเลยดูรูปดูนามไปเรื่อยล้ะความเห็นผิดได้ก็เกิดความเห็นถูกขึ้นมาะเนี่ยมันมันง่ายๆแค่นี้เองงั้นจับหลักให้แม่นมีสติคุ้มครองรักษาจิตไว้ได้ครบหมดเลยะได้ครอบทุกสิ่งทุกอย่างสี่สมาธิปัญญาทีน้พอรักษาแก่รอบเต็มที่นละบุญบารมีสะสมมาเต็มที่นละ บารมีทั้งหลายนะมันเป็นเรื่องของการลดละความเห็นแก่ตัวเท่านั้นนะไม่มีบารมีเห็นแก่ตัวอย่าคิดนะว่านั่งสมาธิหือเดินจงกรมแต่ว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะบรรลุง่ายไม่มีทางหรอกบางคนนะั่นั่งสมาธิไม่ยุ่งกับใครเลยนะอย่างสมมติเป็นพระนะมีกิจของสงฆ์ก็ไม่ทำอะไรนะเห็นแก่ตัวมากเลย เห็นแก่ตัวแล้วไปนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยนะั่งกะจะเอามักผลไม่ได้กินหรอกนะอย่างมีธุระมีกิจการที่จำเป็นต้องทำก็ต้องทำนะมันไม่ได้ทำให้เนิ่นช้านะมันทำไปด้วยความไม่เห็นแก่ตัวนะอย่างพระจะมีข้อวัดนะมีทำวัดมีกวาดวัดมีบินทบาทมีอะไรต่ออะไรนะเป็นการที่ดึงจิตนะ ไม่ให้หมกมุ่นในการภาวนาเปลี่ยนอีริยาบทของการภาวนาชแต่ไม่ได้เลิกภาวนานะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกไม่ให้หมกมุ่นจมลงไปนั่งสมาธิลูกเดียวนะหมกมุ่นออกง่ายๆหรือเดินจงกรมหามลุ่งหามค่ำหมกมุ่นง่ายๆเดินจงกรมหามลุ่งหามค่ำไม่ได้อได้เวลาต้องไปสวดมนต์ะอะไรเงี้ยก็ต้องไปสวดมนตนมน์ก็เปลี่ยนความรู้สึก ไม่อยากเลยเนี่ยไม่อยากเลยอยากจะเดินจงกรมอย่างเดียวนี่เห็นใจที่ไม่อยากนะเนี่ยมนได้ต่อสู้งั้นเราฝึกของเรานะฝึกพยายามฝึกให้มีสติศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะเกิดเป็นลำดับลาดับไปคุณงามความดีอื่นๆมีโอกาสก็ทำไม่มีโอกาสก็แล้วกันไปอย่าดิ้นรนแบบให้เกิดความทุกข์นะ คนนที่นนมีความทุกข์มากอยากทําดีแต่ทุกเคยเป็นไหมอยากทำดีแต่ทุกทุกนะเครียดทําดีต้องมีความสุขนะถ้าไม่มีความสุขก็ไม่เรียกว่าบุญหรอกไม่เรียกว่าบุญนะบุญต้องมีความสุขถ้เครียดเครียดเป็นอกุศลงนะั้นเราฝึกให้ได้สตินะ วิธีจะให้ได้สติเบื้องต้นนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปนั่งสมาธิไปหรือสวดมนต์ไหว้พระไปขี้เกียจรือว่าขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจเป็นกุศลหรืออกุศลขี้เกียจเป็นอกุศลเกิดขี้เกียจทําบาปนะขี้เกียจทําบาปไม่ใช่อกุศล น, นะแต่มันเป็นสํานวน สำคัญว่าขี้เกยียจทำบาปขี้เกยียจฆ่ามันอนยะ่างงี้ยขี้เกยียจเป็นอกุศล น, นะคืความขี้เกยียจเกิดเรารู้ทันนะความขี้เกยียจมันดับเราก็ขยันภาวนาเกิดกุศล น, นะเกิดความวิริยะขึ้นมาเนะยานันมีสติรู้ทันอกุศล น, นะกุศลเกิดเองเลยในขณะนั้นนะอัตโนมัติเลย มันไม่ใช่เรื่องยากนะที่เราจะละอกุศลหรือเจริญกุศลขอให้มีสติรักษาจิตไว้ดวงเดียวเท่านั้นเองอยู่กับปัจจุบันไปเมืนะ่อความดีต่างๆมีโอกาสก็ทำนะค่อยๆสะสมไปทำไมพูะเจ้าบําเพ็นบารมีนานเนะคยได้ยินบารมีสามสิบทักไหมที่จริงต้องเรียกสามทักสามสิบ สาทัศมันก็ปลาเข้าไปตั้ง300สามร้อยิทัศมันแปลว่าสิบอยู่แล้วบารมีจริงจมีสิบอันแต่มีดีกรีนะอย่างฐา น, บานะานปปะบารมีนะฐานะอุปบารมีฐานะ p รมั m a t ารมี m i คือฐานอย่างกลางอย่างอย่างธรรมดาอย่างกลางอย่างละเอียดนะอย่างสูงเป็นลําดับขึ้นไปฐานะบารมี เบื้องต้นบริจาคสละวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรพวกนี้ถ้าเป็นอุปบา ร, รมีนะั้นก็ต้องลดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นกล้าหาญมากขึ้นเช่นบริจาคโลหิตบริจาคร่างกายอววะอะไรถ้าถึงขั้นปรมัณบา ร, รมีนะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะไม่กลัวตายภาวนาตายก็ตายาตายอมเลยเพื่อได้ธรรมะสุดท้ายมันจะมาลงตรงนี้นะบา ร, รมีทั้งหลาย เน่ยขมะบารมีนะอย่างพวกเราก็ฝึกเน่ยขมะได้เ น, น่ยขมมะอ่อนๆเลยซื่อตรงกับคู่ของเรานี่อ่อนสุดขีดแล้วต่อมาขยับขึ้นมารักษาศีลแปดรักษาศีลแปดอยู่ที่บ้านก็เป็นเน่ยขมมะเหมือนกั น, นออกจากกามเน่ยขมมะคือออกจากกามค่อยๆอ อ, อ, ออกค่อยๆออกมาหรือมาบวชเป็นเน่ยขมมะ ออกมาบวชพ่อแม่อ้อนวอนให้มาบวชไม่ใช่เนคขมมะทรมานไม่ใช่ไม่ได้อยากทำํำไม่มีบารมีอะไรเลยถูกเขี่ยวเข็นมาใจมันอยากมาใจอยากบวชพ่อแม่ก็ยินดีให้บวชนะนก็ได้เนคขมมะบารมีนะแต่ถ้าพ่อแม่หวังไม่ให้บวชโอ้ยหาทางจะบวชนะแบบยอมตายเลยเพื่อจะได้บวชนะเนี่ยได้บารมีแรง เราเรามีแรงบางองค์นะประวัติท่านพ่อแม่ไม่ให้บวชรู้สึกพระรัฐปาระพระรัฐบาลชื่อรัฐบาล น, นะอือ <c oughs> รัฐปาระรัตถาระอยากบวชพ่อแม่ไม่ให้บวชลูกเศรษฐีคนเดียวลูกคนเดียวอะ่ะพ่อแม่อยากให้อยู่คลองเรือนท่านเนนอนลงกับพื้นนะไม่กินข้าวพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไร ตายก็ตายไม่ให้บวชพ่อแม่กล่าว่าเดี๋ยวหิวข้าวเขารู้มากินอยู่ไปหลายวันแนละ้วไม่ยอมจริงๆเลยอยอมถ้าถ้าไม่ได้บวชขอตายะส่วนท้ายเพื่อนๆนื่ะเพื่อนเพื่อนพระรัประละพวกญาติพี่น้องอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มาบอกกับพ่อแม่ว่าพระรัตถปะะออกบวชนะยังมีชีวิตยังได้เห็นหน้านะถ้าตายแล้วไม่ได้เห็นอีกแล้วนะ ได้อย่างหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีไปบวชใจบวชได้นานแค่ไหนเห อ, อชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็สึกพ่อแม่เลยให้บวชบวชแล้วเนี่ยบารมีแรงนะลำบากต่อสู้ด้วยความลำบากเลยกว่าจะพ้นจากออกจากบ่วงกรรมขึ้นมาเนี่ยบารมีท่านแรงหรือศีลละบารมียอมตายไม่ยอมผิดศีลอย่างพระภูริทัต ย, ยอมตายไม่ยอมผิดศีลอย่างนี้ เนี่ยบารมีแรงของเรายอมผิดศีลไม่ยอมตายเนี่ยบารมีไม่เท่านะพวกที่บารมีแก่เนี่ยนะคล้ยๆ ย, ยอมสละชีวิตเพื่อธรรม ะ, ะระดับเนี้มันเอาไว้ใช้ตอนจะข้ามโพผ้ามชาตินะขั้นโสดาสกุาขามไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแค่ทําความดีไว้ให้มากหน่อยเท่านั้นแหละลดละความชั่วอย่าไปทําบ่อยนักก็แล้วกันค่อยๆฝึกค่อยๆลดไป โซดาสกทาคาไม่ยากหรอกขั้นสุดท้ายเนะี่ยบารมีไม่เต็มนะนาทีสุดท้ายเนะี่ยจิตจะถอนจิตจะรักตัวกลัวตายอันนี้ผ่านอยู่ฝากตายนะใจมันรักตัวกลัวตายนี้เดียวใจถอนไปไม่กล้าภาวนาต่อละกลัวตายอันนั้นเอาไว้ขั้นแตกหักนะแต่ว่ากว่าจะถึงขั้นแตกหักก็ผ่านเป็นขั้นๆไปนะเราค่อยๆสะสมของเราไปนะจนเป็นแก่กล้านะ แก่กล้าขึ้นเป็นลําดับลําดับนะไปฝึกนะแล้วเราจะได้ละ บ, บาปทั้งปวงจเจริญกุศลได้ถึงพร้อมจิตของเราก็จะผ่องแผ้วนะเป็นลําดับลําดับไปด้วยอํานาจของศีลสมาธิปัญญาซนะึ่งเราต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแนะต่ไปไปกินข้าวนะไป กินข้าก็คือการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เวลายกเว้นการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นเองนะนี่หมดนะครับ